เรื่องที่สิบสองวัดศูนย์เครื่องหมายจานวนเราเรียกว่าเลขมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเก้าเลขตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขเก้าหากต้องการเปลี่ยนตัวเลขบอกจานวนที่มากกว่านั้นเรามีเครื่องหมายไว้อีกอันหนึ่งต่างหากเป็นรูปวงกลมอย่างนี้ทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนจานวน10จะต้องผ่านเครื่องหมายวงกลมนี้ก่อน เช่นจะเปลี่ยนจาก19เป็น20จาก29เป็น30จนกระทั่ง99เป็น100และอื่นๆถ้าไม่ผ่านเครื่องหมายนี้ก่อนเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องหมายวงกลมนี้เราจึงเรียกว่าศูนย์แปลว่าจุดกลางหรือจุดรวมคือเป็นจุดรวมของจำนวนทั้งปวงโดยหลักเดียวกันนี้ สังคมของมนุษย์เราได้ค้นพบว่างานทุกขแขนงที่จะมีการขยายตัวออกไปกว้างขวา ง, วางก็จำเป็นจะต้องมีศูนย์หรือจุดรวมมาไว้เพื่อเป็นหลักของความเปลี่ยนแปลงเวลานี้เราก็จะได้เห็นศูนย์เกิดขึ้นในวงงานแทบทุกสาขาอาทิศูนย์การค้าศูนย์การสื่อสารศูนย์การครมนาคมศูนย์การศึกษาศูนย์การทหาร และยังมีศูนย์สาหรับงานอื่นๆอีกมากตักวันนี้เราจึงตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าศูนย์ของงานชนิดใดมีขึ้นก็เป็นนันยความว่างานชนิดนั้นกำลังมีการเจริญเพราะถ้างานใดไม่เจริญกว้างขวางเขาก็ไม่คิดตั้งศูนย์ขึ้นถ้าเราลองพิจารณาประวัติศาสตร์ของชาติไทยดูเราจะเกิดความประหลาดใจขึ้นมาอย่างหนึ่งว่า คนไทยออรุ่นก่อนคือสมัยปู่ย่าตาทวดของเรานี่เองท่านมีความคิดก้าวหน้าในเรื่องการจัดตั้งศูนย์มานานแล้วเวลานี้ศูนย์ที่ว่านี้ก็ยังปรากฏอยู่ทั่วทุกตำบลและหมู่บ้านในประเทศไทยรวมทั้งในพระนครและต่จังหวัดมีจำนวนมากถึง 21,385 แห่งสํแหาห่งสำหรับเป็นจุดกลางสร้างสรรค์ความเจริญในท้องถิ่นนั้น แต่ว่าศูนย์ที่ว่านี้สมัยก่อนไม่นิยมเรียกว่าศูนย์แต่เรียกชื่อเป็นคำไทยแท้คือเรียกว่าวัดได้มีชาวต่างประเทศกล่าวถึงวัดในเมืองไทยด้วยความนิยมชม ช, มชอบว่าวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศิลธรรมที่สมบูรณ์แบบเป็นเวลานานมาแล้วคือมีโรงเรียนห้องสมุดคือหอไตรหอประชุม คือศาลาการประเรียนและสนามเด็กเล่นอยู่ในบริเวณเดียวกันเขากล่าวด้วยว่าเขาได้เห็นวัดหลายแห่งมีสระว่ายน้ำและพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมด้วยข้อนี้คนไทยเราน่าจะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่าหากชาวต่างประเทศผู้นั้นรู้จักวัดไทยให้ลึกซึ้งต่อไปอีกเขาก็คงจะต้องเกิดความพิศวงขึ้นอีกไม่น้อย และจะต้องพนันาคำสรรเสริญอย่างยืดยาวต่อไปอีกเป็นอันมากพราะวัติของเราเป็นหัวใจแห่งสวัสดิการในท้องถิ่นแทบทุกทางก็ว่าได้ความจริงคำ ว, ว่าศูนย์กับคำว่าวัดก็มีความหมายคล้ายๆกันการที่สังคมสมัยใหม่ตั้งศูนย์ขึ้นก็เพื่อให้สมาชิกของศูนย์นั้นๆได้พบปะและแลกเปลี่ยนวิธีเสริมสร้างชีวิตของคนให้ดีขึ้น เราเอาความหมายที่ว่าเป็นจุดรวมมาตั้งชื่อว่าศูนย์คนโบราณสร้างจุดรวมขึ้นเพื่อให้สมาชิกของจุดรวมนั้นได้นำตัวเข้ามาวัดกับคนอื่นและวัดกับศีลธรรมคำสอนของศาสนาวัดดูว่าการพนมมือไหว้พระของเรากับของคนจากครอบครัวอื่นเหมือนกันไหมวัดดูว่าการกราบที่เราทำกับที่คนอื่นทำไหนถูกต้องกว่ากัน และวัดกันดูว่าลูกใครหลานใครจะมีกิริยามารยาทและมีสมบัติผู้ดีมากน้อยกว่ากันเพราะฉะนั้นคนไปยังจุดรวมนั้นจึงพิถีพิถันในเรื่องการแต่งกายและกิริยามารยาทเป็นพิเศษกว่าที่อยู่บ้านและเพราะเหตุนี้เองท่านจึงเรียกจุดรวมดังกล่าวว่าวัดแทนที่จะเรียกว่าศูนย์อย่างทุกวันนี้ การที่ทางการดําริตั้งศูนย์เยาวชนขึ้นและเฉพาะอย่างยิ่งคิดจะตั้งในวัดที่มีทาเลเหมาะสมจึงเป็นการเจริญรอยตามบรรพบุรุษของเราควรแก่การสนับสนุนอย่างยิ่งและจะเป็นการประเสริฐยิ่งขึ้นหากเยาวชนของเรานิยมไปใช้ศูนย์เยาวชนเป็นที่แลกเปลี่ยนความดีซึ่งกันและกัน1กันยายน2503